บุ๊ก <Book> 2ห้าสิบสี่อรมุตสตทดตอมตตทดมตทิซื้อของคิดวาอิดวาผมต้องการซื้อของขวัญซาชุคริสกิดวามินดา สาชุคริสไควดวามินดาแต่เอาที่ไม่แพงมากมากรัมอาร์ตสมัมอาร์ตตอิเซจวีริสอาจจะเป็นกระเป๋าถืออีกนับขล a จันต์อีกนับขลิันต์คุณอยากได้สีอะไรรับเฮริกเนบ รปริกน์สีดำสีน้ําตาลหรือสีขาวชาววาสเริทูเททรชาวิชวาสเริทูเททริใบใหญ่หรือใบเล็กดีดทูปตาราดีดีทูปตตาราขอผมดูใบนี้หน่อยได้ไหมครับ s h e เล็ h a ใบนี้ทำมาจากหนังใช่ไหมครับ avis ห, ห, หรือว่าทำมาจากพลาสติก to gelovnoria to ทำจากหนังแน่นอนครับ อวสระคมาอุนดาวสรมาอุนดาใบนี้คุณภาพดีมากครับเอสกานักอุเทรบิคาริสเีนียเอสกานสกุเทรบิทคาริสีนสนี ย, นยและกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆนะครับขลฉันทามารลทลัดอียาพยาขลฉันทามารลทลัต เเียผมชอบครับมอมสมอมสผมเอาครับวิดวิดผมจะเปลี่ยนได้ไหมครับถ้าต้องการกามุตสว่าเชจเบลกามุสวาเชสจเลเบลิา ได้แน่นอนครับรัคมาอุนดารัคมาอุนดาเราจะห่อของขวัญให้คุณกาคิควฟต์โรกร์ซาชูคาร์สกาคิวฟ์โรกร์ซาชูคาร์สที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นครับอิกอาริสซาลารอิกอาริสซาลา